นรกคูณแม่หนูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถอะว่าเมืองนรกเป็นยังไงเหมือนโลกมนุษย์ที่เราอยู่ไหมหนังแจ่มได้โอกาสถามบ้างหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานไม่เหมือนหรอกจกนะ ไม่เหมือนเลยเพราะผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาด้วยอํานาจของกุศลกรรมส่วนผู้ที่ไปเกิดในเมืองนรกเข้าไปด้วยอํานาจอากุศลกรรมพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาปเท่านั้นที่จะนําเราไปเกิดบุญนํามาเกิดในสุขติภูมิซึ่งได้แก่โลกมนุษย์โลกสวรรค์และพรหมโลกส่วนบาปนําไปเกิดในทุกขติภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกาย หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนกลับมาเกิดใหม่อธิบายหล่อนไปได้ความรู้นี้มาจากเมืองนอรกนางแต้มจึงถามขึ้นบ้างว่าหนูรู้ไหมว่าคนที่เจริญกรรมฐานตายแล้วไปเกิดที่ไหนนางสสิ่งอธิบายว่ากรรมฐานเป็นกุศลกรรมขั้นสูงสุดที่เรียกว่าภาวนาไมายถ้าผู้ปฏิบัติสำเร็จมรรคผล ถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอรหัตตมรรอรหัตตผลก็จะไม่ต้องเกิดอีกเรียกว่าบรรลุพระนิพพานบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าพระอรหรันตองจากพระอรหันต์เรียกว่าพระอนาคามีคือผู้สำเร็จอนาคามิมรรคอนาคามิผลหากตายจากโลกมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทาวาสซึ่งมีห้าชั้นได้แก่ อวิหาอตตปา ส, า, ส า, สาสุทัศสาสุทัศีและอาการิฐาต่ำกว่าพระอนาคามีคือพระสักขาคามีและพระโสดาบันตามลําดับพระโสดาบันและพระสักทาคามีอาจเกิดในโลกมนุษย์หรือโลกสวรรค์ก็ได้ผู้ที่สําเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลขึ้นไปถือว่าตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรชาณแล้วถ้าไม่บรรลุสักอย่างเดียวละจ๊ะอย่างฉันนี้รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยคงไม่ถึงขั้นจะเป็นพระโสดาบันอย่างคนอื่นเขาหลอกนังแต้มสแสดงอาการไม่ตกก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากก็ต้องไปตกนรกถ้ามีกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยไม่หนักหนาสาหาัสก็จะไปเกิดเป็นสัตวเดรชานจะสาวน้อยตอบอย่างคล่องแคล่ว นอกจากลักขโมยแล้วกรรมที่จะนําไปตกนรกนั้นมีอะไรบ้างจ้าหนูคนถามคือนังแชม่มกรรมที่จะทําให้ไปตกนรกมีสิบอย่างจ้าเรียกว่าอากุศลกรร ม, มบทสิบแบ่งตามลักษณะที่แสดงออกมาจะได้สมแบบคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าทําชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตมีสามอย่างได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในการมทาชั่วทางวาจา เรียกว่าวจีทุจริตมีสี่อย่างได้แก่พูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อทำชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริตมีสามอย่างได้แก่โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาและมีความเห็นผิดคนที่ทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างนี้จะต้องตกนรกต้องถูกทำโทษอย่างแสนสาหาัสหาความสุขสบายไม่ได้เลย แต่ถึงจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็จะไม่ตายเช่นบางคนถูกเขี้ยนจนขาขาดก็ยังไม่ตายเพราะขามันจะมาต่อกันใหม่ให้พยมพาบาลเขี้ยนอีกถ้อยคําของนางเซิยงทําให้พระเจริญนึกถึงคําบอกเล่าของตะแป๊ะเหลงห้วยที่หนีจากเมืองนรกมาเข้าใหญ่เผ่าเพื่อจะบอกให้เจษเจียหลานสาวมาเจริญกรรมาฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้สแสดงว่าเมืองนรกนั้นไม่ดีเลยใช่ไหย นางโถถามสำหรับหนูหนูเห็นว่ามีทั้งดีและไม่ดีเพราะหนูได้ประโยชน์จากการไปตกนรกแต่ก่อนหนูใจบาปหยาบช้าสวดมนต์ไม่เป็นเจริญกรรมฐานก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษต่อเมื่อไปรู้ไปเห็นด้วยตนเองทำให้หนูเปลี่ยนเป็นคนละคนในเมืองนรกนั้น แม้พวกสัตว์นรกจะถูกลงโทษอย่างสาหัสสากันแต่พอถึงวันโกนวันพระเขาจะหยุดทำโทษมีพระมาลัยมาเทศโปรดและพวกสัตว์นรกก็ได้ทำวัดสวดมนต์ได้เจริญพระกรรมฐานคนที่สวดมนต์ไม่เป็นและไม่เคยเจริญกรรมฐานหากตายไปตกนรกก็จะได้ไปเรียนรู้ที่เมืองนรกเช่นหนูเป็นตัวอย่างหนูถึงได้พูดว่านรกให้สิ่งที่ดีแก่หนู พระเจริญต้องการตรวจสอบเรื่องที่ตะแปะเหลืองห้วยบอกว่าพระมาลัยที่มาเทศโปรดสัตว์นรกนั้นเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อจึงถามขึ้นว่าพระมาลัยเป็นใครมาจากไหนหนูรู้หรือเปล่ารู้จ้าหลวงพ่อท่านเป็นพระอรหันตตะขีนาศพที่ผลัดกันไปเทศโปรดสัตว์นรกมีอยู่หลายองค์คําว่ามาลัยเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะ พระอาหารหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกเรียกว่าพระมาลัยทุกองค์ศาเป็นอันว่าสิ่งที่ตาแปะเหลนห้วยเล่าให้ฟังนั้นตรงกับที่นางเสิ่ยงบอกกล่าวทุกประการกระนั้นท่านก็ต้องการทราบอีกว่าพระไปตกนรกมีบ้างไหมโอ้ยเยอะแยะเลยเจ้าหลวงพ่อคําตอบของนางเอิ่ยงทาให้พระหนุ่มรู้สึกร้อนๆ้หนาวหนาวเมื่อนึกถึงกรรมที่ขโมยเข้าตกรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระ เพราะมีผ้าเหลืองผูกข้อมือจ้าพระนี้ตกนรกง่ายกว่าคารืหัสอีกนะจ๊ะหลวงพอ่อโยมบาลบอกว่าในอนาคตพระจะตกนรกกันเยอะเพราะทำผิดวินัยถึงขั้นต้องปาราชิกกันมากแล้วหนูถามโยมบาลหรือเปล่าว่าคนที่ทำชั่วแก้ตัวได้ไหมมีทางที่จะตัดเวนตัดกรรมได้อย่างไรมีจ้าและวิธีตัดเวนตัดกรรมได้นั้นมีทางเดียวคือการจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แต่ถ้าเป็นกรรมหนักก็ไม่มีทางแก้ไขต้องชดใช้กรรมนั้นจะลงพ่อกรรมอะไรบ้างที่แก้ไขไม่ได้ท่านทดสอบทั้งที่ทราบคาตอบดีอยู่แล้วจากการศึกษาปริยัตกรรมหนักค่าอย่างที่เรียกว่าคารุก ก, กรรมหรืออนันตริยกรรมได้แก่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตพ่อขึ้นและยุยงสงให้แตกกัน กรรมห้าอย่างนี้ลบล้างไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นด้วยตัวเองจะ่ะแล้วยามาบาลบอกหรือเปล่าว่าคนที่ไปลักข้าวเขาหนะต้องแก้กรรมอย่างไรนางสียอิ่งเข้าใจว่าสมภารวัดป่ามะม่วงหมายถึงตัวหล่อนจึงตอบว่ายามาบาลบอกว่าต้องสร้างกุติกรรมฐานจะ่ะเพราะเหตุนี้หนูจึงชวนพี่ปุ่นกับพี่ทองคามาที่วัดเพื่อจะสร้างกุติกรรมฐานหลวงพ่อให้หนูสร้างนะจะ๊ะดีเลยหนู วัดนี้ยังไม่มีกุฎกรรมฐานหนูมาช่วยสร้างให้เป็นหลังแรกเลยนะหลวงพ่อดีใจเหลือเกินที่หนูมาวัดนี้ในใจนั้นท่านคิดว่าเห็นทีจะต้องสร้างกุฎกรรมฐานให้เต็มวัดเลยจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างที่โยมเมาส์เกอเคยพูดไว้ว่ารักพระแม่โพสกต้องตกนรกแม่หนูพระมาลัยท่านเทศเรื่องอะไรบ้างพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมหนางแจ่มสนใจใครรู้ ท่นเทศถึงเรื่องกรรมที่พวกสัตว์นรกทําไว้อันเป็นเหตุให้ต้องมาตกนรกจ่ะเช่นคนที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเมื่อมาตกนรกก็ต้องมาเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าแต่มันหนักหนาะสาหัสกว่าคือตอนฆ่าวัวฆ่าควายในเมืองมนุษย์ฆ่ามันตายแล้วก็แล้วส่วนในเมืองนรกพอถูกฆ่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เขาฆ่าอีกคนที่รักทรัพย์เขาก็ถูกตัดมือตัดแขน ตัดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ให้ถูกตัดอีกคนที่ประพฤติผิดผัวผิดเมียเขาก็ต้องปีนต้นงิ้วมีหนามยาวสิบหองคุลีถูกน้นามงิ้วแทงแล้วยังถูกแรงกาปักเหล็กจิกกินเนื้ออีกส่วนพวกที่พูดปดโกโหกหลอกลวงเขาก็ถูกตัดลิ้นตัดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ให้เขาตัดอีกพวกดื่มสุราจะถูกยมบาลเอาน้าเดือดในกระทะทองแดงกรอกปาก ดูแล้วมันน่าอาเนจอานาถเหลือเกินโยมาบาลบอกว่าคนพวกนี้บางคนก็ยังไม่เข็ดพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ก่อกรรมทําชั่วอีกพอตายลงก็ต้องมาตกนรกอีกเหมือนพวกนักโทษที่ไปติดคุกพอได้รับการปลดปล่อยก็ออกมาทําผิดอีกจึงต้องกลับไปติดคุกครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่บางพวกก็เข็ดขยาดไม่กล้าก่อ ก, กรรมทําชั่วอีก เพราะกลัวจะต้องไปติดคุกหรือไปตกนรกอย่างหนูนี่เข็ดหลาบจริงๆใครจะมาจ้างสักหมื่นสักแสนให้ทำความชั่วหนูเป็นไม่รับเด็ดขาดเพราะเงินทองไม่มีความหมายในเมืองนรกจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องตกนรกหากทำความชั่วยมพบาลไม่รับสินบนเหมือนพวกมนุษย์หรอกจาก้าสาวน้อยเล่าขานหนูหลวงพ่อขอถามอีกข้อเธอสงสัยมานานแล้ว คือหลวงพ่ออยากรู้ว่านารกนั้นมีเฉพาะของคนไทยหรือเปล่านารกฝรั่งนรกแขกมีไหมไม่มีนรกไทยนรกฝรั่งนรกแขกหรอกจ้าหลวงพ่อไม่มีการแบ่งแยกคนทําความชั่วไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นฝรั่งหรือเป็นแขกก็ต้องไปตกนรกเดียวกันทั้งนั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติมีแต่ในโลกมนุษย์นรกสวรรค์ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือาศาสนาหรอกจ่ะนุเคยไปเห็นสวรรค์มาแล้วหรือถึงได้รู้ นางแต้มเป็นคนถามยังไม่เคยหรอกจ้านะที่รู้พระยมบาลบอกแต่อีกหปีหนูก็จะได้ไปเห็นยมบาลให้หนูมาเกิดในโลกมนุษย์20ปีถ้าหนูทำตามที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลคือรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระกับสร้างกุฏกรรมฐานด้วยเงินหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินตายแล้วหนูจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในเมืองนรกอีกหนูมั่นใจพระยมบาลก็จะไม่โกหกหรอกจะนะ สิงสามนเณนเฉลียวเาคาะระฆังบอกเวลาทำวัดเย็นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาทำวัดเย็นแล้วขอเชิญญาติโยมไปลงอุโบโสถเพื่อทำวัดเย็นด้วยกันโยมปุ่นด้วยหลังจากนั้นจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการสร้างขุดกรรมฐานหนูวันนี้หลวงพ่อขอให้ช่วยเป็นคนนำญาติโยมสวดมนต์ได้ไหมท่านถามนางเสี่ยงได้จ้ะตอนอยู่เมืองนรกหนูก็ทำหน้าที่นี้ สาวน้อยรับด้วยความเต็มใจจากนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงจุงเดินนําญาติโยมไปที่โบสถ์ซึ่งหลวงตาอ้อนหลวงตาเฟื่องสามเณรเฉลียวและแม่ชีก้อนทองรออยู่แล้วเมื่อพระเจริญนํากราบพระและบูชาพระรัตนตรัยแล้วนางสอิ่งก็นําสวดมนต์ทวัดเย็นด้วยเสียงกังวลใสจนแม้พระเองก็แอบชื่นชมในใจจะกล่าวใบใยถึงญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนั้น ก็อยากเป็นนายปุ่นตรงที่มีเมียสาวสวยเสียงไพเราะสนอโสดเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการทำวัดสวดมนก็เสร็จสิ้นลงสา ม, มเณรเฉลียวเป็นคนหนุ่มที่ค่อนข้างใจร้อนท่านรีบเดินมาที่สาวน้อยกล่าวชมว่าโยมสวดมนเก่งเหลือเกินน้ำเสียงก็ไพเราะเพราะพริง้งอาตมายังไม่เคยเห็นใครสวดได้ไพเราะเท่านี้มาก่อนท่านเข้าใจผิด คิดไปเองว่านางสีอิ้งเป็นหลานสาวของสองตายายคู่นี้นึกหมายมั่นปั้นมือว่าศึกหาลาเพศเมื่อใดจะให้พ่อแม่ไปสู่ขอมาเป็นภรรยาพระเจริญเห็นท่าทางเจ้าชู้ไก่แจ้ของลูกศิษย์ก็ให้นึกขำจึงรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าโยมปูนคืนนี้คงต้องพักค้างคืนที่วัดนี่แหละนะอาตมาจะให้ไปพักที่กุฏิสามเณรเฉลียว ส่วนภรรยาสองคนจะให้พักบนสารากับแม่ชีก้อนทองแล้วหันไปสั่งสามมเนนว่าช่วยพาโยมเข้าไปพักที่กุฏิด้วยเขาพาภรรยามาสร้างกุฏิคนนี้ชื่อสอิ้งเป็นภรรยาเก่าอายุ15อีกคนชื่อทองคาเป็นภรรยาใหม่อายุ72ปีท่านช่วยแนะนำให้เสดสั์สัมเนนเฉลียวได้ฟังนึกว่าหูเืนไปจึงถามขึ้นว่า ท่านสมพานพูดผิดหรือเปล่าครับยมสีอิ่งเป็นหลานสาวของภรรยาเก่ากระมังครับแต่ท่านพูดว่าเป็นภรรยาเก่านางแต้มจึงตอบแทนสมพานว่าท่านพูดไม่ผิดหรอกจะเน้นแม่หนูสีอิ่งนี่แหละเป็นเมียเก่าของน้าคนนี้สามเณรเนลียวรู้สึกเหมือนว่าหัวใจหล่วนวูบลงมากองอยู่ที่ปลายเท้ากลั้นใจถามอีกว่าโยมพูดผิดหรือเปล่าตั้งสติให้ดี แล้วพูดใหม่สิฉันพูดไม่ผิดหรอกจ้าถ้าท่านไม่เชื่อจะถามแม่โถดูก็ได้แม่หนูคนนี้ก็เป็นเมียเก่านาคนนี้แต่เขาได้ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เขาระลึกชาติได้เลยมาอยู่กับผัวเขาอีกเสียงในปุ่นถามพระเจริญว่าท่านครับแล้วเรื่องที่ผมจะสร้างกุฏิกรรมาฐานจะลงมือกันเมื่อไรครับท่านจะอนุญาตให้สร้างตรงไหน แม่สีอิ่งเขาบอกยมพบาลสั่งมาว่าให้สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันด้วยเงินหนึ่งช่างพอดิบพอดีบุรุษวัยเจ็ดสรู้สึกกังวลแทนภรรยาเขาเกรงว่าหากไม่เป็นไปตามนั้นแม่เสีอิ่งเมียรักก็จะไปเกิดในนรกอีกอย่าห่วงไปเลยโยมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สร้างตรงหน้าโบสถ์นั่นดีไหมท่านชี้ไปทางด้านขวามือของโบสถ์ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อุบาสกหนุ่มซึ่งฟังเรื่องราวมาโดยตลอดจึงปลอบใจว่านะอย่าห่วงเลยพรุ่งนี้พวกผมจะเกณฑ์พวกผู้ชายในหมู่บ้านมาช่วยสร้างพอดีผมรื้อเรือนหลังเล็กจะมาปลูกใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพอมีไม้เหลืออยู่บ้างผมจะเอามาสมทบผมคิดว่าหนึ่งช่างก็สร้างได้เพราะค่าแรงไม่ต้องจ่ายผมเห็นด้วยพวกเราอยากได้บุญการสร้างกุฎกรรมฐานคงจะได้อ น, นิสงส์สู ง, สง พวกเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกโยมผู้ชายอีกคนหนึ่งสนับสนุนสมพานวัดป่ามะม่วงรีพูดสรุปว่าเอาละอัตมาขอขอบใจ ญ, ญาติโยมทุกคนและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ค่า ม, มืดแล้วขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านเนนช่วยพายโยมปุ่นไปที่กุติด้วยส่วนแม่ชีก็พายโยมทองคำกับหนูส้งไปที่ศาลาพรุ่งนี้เช้าจะได้ลงมือสร้างกุฏิกรรมาฐานกัน แม่ชีก้อนทองรับคําทั้งที่กังวลอยู่ลึกๆ ก, กังวลว่าเมื่อเทวดามาชวนสวดมนต์แม่ทองคํากับแม่เอิ้งอาจตื่นขึ้นมาเห็นและคิดว่าตนเสียสติไปก็ได้ดังนั้นเมื่อพาคนทั้งสองไปส่งที่ศาลาแล้วจึงไปหาพระเจริญที่กุฏิของท่านหลวงพ่อฉันกลัวสองคนนั่นจะหาว่าฉันบ้าถ้าเทวดามาชวนฉันสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนจะกลัวไปทําไมล่ะดีเส อ, อีก เขาจะได้รู้ได้เห็นว่าเทวดามีจริงแม่หนูคนนั้นแกไปตกนรกมาแกเชื่อแล้วว่านารกมีแม่ชีไปอยู่เซตที่ไหนละ่ะถึงไม่ได้มาฟังตอนแกเล่าสมภารวัดป่ามะม่ว ง, งถามฉันปฏิบัติอยู่ที่หน้าโบสถ์จ้ะไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องราวของใครอายุฉันเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันฉันก็อยากจะสร้างสมคุณงามความดีไว้ให้มากมาก หากบุญพาวาสนาทรงฉันอาจจะได้บรรลุมรคนิพพานบ้างแม่ชีก้อนทองบอกกล่าวไม่อยากไปเกิดในสวรรค์หรอกหรือที่คนเขาทำบุญกันก็อธิษฐานขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ทั้งนั้นพระเจริญต้องการทดสอบแม่ชีไว้แปไม่อยากหรอกเจ้าหลวงพ่อเพราะถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ดูอย่างเทวดาที่มาอาศัยอยู่ต้นพิกลนั่น อยู่สวรรค์ดีๆพอทําความผิดก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์ฉันว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ยังมีทุกข์เพราะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารฉันเรียนหลวงพ่อตามตรงว่าต้องการบรรลุพระนิพพานจะได้ตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ฉันคิดของงั้นอย่างนี้แหละจ้ะใครจะหาว่าฉันเพี้ยนเพราะคิดผิดมนุษย์มนาฉันก็ไม่สนใจไม่ผิดหรอกโยมสิ่งที่โยมคิดและปฏิบัติอยู่นี้ถือว่าเป็นจุดหมายของพระาศาสนาเชละน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจว่าจุดหมายของพระาศาสนาของเราก็คือการหลุดพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือการเข้าถึงพระนิพพานอตมาก็คิดอย่างเดียวกับโยม หากเป็นไปได้ก็จะไม่ขอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโลกมนุษย์นี่มันวุ่นวายจริงๆนะโยมนะนั่นสิจ้าหลวงพ่อเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงได้คลองตัวเป็นโสดมาจนทุกวันนี้พูดแล้วจะหาว่าคุยตอนฉันสาวๆนะ่ะสวยอย่าบอกใครเชียวพวกหนุ่มๆงี้ตอมกันเป็นเกลียวแต่ฉันไม่สนใจใครเลยเพราะมันฝังใจมาตั้งแต่เล็ก ๆ, ๆว่าชีวิตเป็นทุกข์ ถ้าฉันแต่งงานมีครอบครัวลูกหลานฉันก็ต้องเกิดมาพบกับความทุกข์พี่ๆน้องๆฉันไม่มีใครเขาคิดอย่างฉันจึงพากันแต่งงานมีเย่ามีเรือนไปหมดฉันก็เลยมีหลานเต็มบ้านแต่ก็ดีตรงที่พวกเขาเลี้ยงดูฉันเมื่อตอนแก่เอาละฉันอาจจะพูดมากไปต้องขอโทษที่มารบกวนเวลาหลวงพอ่อฉันจะกลับจล า, าไปปฏิบัติละ พูดจบจนกราบสามครั้งเราลุกออกไปเวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีแม่ชีก้อนทองก็ลุกขึ้นมาจุดเทียนเช่นทุกครั้งเพราะเทวดามาชวนสวดมนต์นางทองคํำและนางสีอิ่งนอนหลับไม่รู้สึกรูสาเพราะเทวดาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากแม่ชีก้อนทองและพระเจริญ